เรื่องพระพัทิยะเปลงอุทานว่าสุขหนอสมัยนั้นท่านพระพัทิยะจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ขวงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคารก็ดีย่อมเปล่งอุทานหนึงเนืองว่า สุขหนอสุขหนอครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งหน้าที่สมควรภิกษุเหล่านั้นผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระพัตถยไม่ว่าจะไปในป่า ก, ก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดี จะไปในเรือนว่างก็ดีก็เปลงอุทานหนึง่งเืองว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระพัทิยะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แน่ๆหรือคงหวนระลึกถึงสุขในราชสมบัติครั้งก่อนไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคานก็ดีจึงเปลงอุทานอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งว่าภิกษุเธอจงไปบอกพัทธิยะว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระพัฏธิยะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระพัฏธิยะดังนี้ว่า พระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระพัติยะรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระพัติยะผู้นั่งแล้วหน้าที่สมควรดังนี้ว่าพัติยะ ทราบว่าเธอไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ขวงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคารก็ดีก็เปลงอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอจริงหรือท่านพระพัตติยะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคปรักถามว่า พัทธิยะเธอเห็นประโยชน์อะไรไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ข่วงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคารก็ดีจึงเปล่งอุทานเนืองว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระพัทธิยะกราบทูลว่าสมัยเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระราชา ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในวังได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกวั ง, ไ ด, ด ง, งได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในเมืองได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกเมืองได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งในชนบท ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งนอกชนบทข้าพระพุทธเจ้าถึงจะได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีเช่นนี้ก็ยังกลัวยังหวาดหวั่นอยู่สะดุ้งตกใจแต่เวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสนหยาคารก็ดี เพียงผู้เดียวก็ไม่กลัวไม่หวาดหวัน่นไม่สะดุ้งตกใจแต่อย่างใดเลยมีความโปร่งเบากายยิ่งครองชีวิตด้วยปัจใจที่ผู้อื่นให้มีจิตอิสระดุดมรคะข้าพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อย่างนี้ไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคารก็ดี จึงมักจะเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กำเริบภายในจิตและล่วงพ้นความเป็นพบและอภพบต่างๆได้แล้ว ผวยเทพไม่สามารถมองเห็นผู้นั้นผู้ปราศจากภัยมีความสุขไม่เศร้าโศก